เราว่าอย่างนั้นผไม่ได้เขาผมพยยังไม่เชื่อเขาไ่แคร์ผมเห็นว่ามีสติยารอบรอบมาช้นี้ขู่ญาติโยมมชินเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อเป็ดเนื้อไก่เนือคยบาปประเทศปเทศมาบอกว่าถ้าหากว่าเอาถวายพระพระกินไม่บาปนั่นนดว่าขอบมาดเีเลยดีเีทั้งกันมีทั้งแก้ไปเลยชุดได้ออกกันไได้โยมบนพระตะกะมาเพื่ เป็นนวาการสร้างเมรุนใช่ถ้าหาวจิตเป็นมหาอุฒมคนีสร้างเมรุได้ก็ต yes? ้องมีจิตเมตตาใช่ไหมใช่ที่มีการเสียสละเราะว่าอยู่ในเกณฑ์ของบุญคุณยาวถูกสามประการคือหนึ่งทนมับุญพิการแล้วงให้่านใช่ไสินัยบุญพุทธปิการแล้าวินสามภาวนาไมุพุทธปฏิการจริญภาวนา ในการที่โยนโศก็ดีโยนยุงจีก็ดีในนางเขาเป็นสัตวพรที่ดูนสร้างเมินถวายแบบประสงค์ในพุทธศาสนาเนี่ยอันเป็นว่าท่านก็ต้องมีเมตตาลำบาบแรกใช่ไหคือความรักของพุทธนมามีความสงสาัรารเมตาประชาชนที่ตายแล้วจะลาบากคงอยู่ลาบากก็สร้างเมินให้ใจพุทธทานใหม่ไม่เหนื่อยนะการให้ทานนี่ดีพระเจ้าบอกว่าทานนางจะกสูโศทนนาง การให้ทานนี่เป็นวิจัยเกิดตสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็รายการมีสองคนที่จะทำทานได้ดีก็เป็นคนมีศีลศีลนี่พร้เจ้ากล้านีสองข้อสามรายการโดยศีเลและสุสขติัญตินนคม น, นมีศีลแล้วไปสวรรค์ได้ศีเลและโพกสมาทาคนมีศีลแล้วมีโหัวสมบัติร่ำรวยศีเลยนี่ปุตติัญติคนมีศีลสา ม, มารถปฏิภานได้สะดวกแล้วสำหรับพยานาใหมาก่ก็จะตรวจชุดคิดเมตารามีพาพาพา จะลงความว่าเรืาลาล่องส ม, มเด็จในตนนี้เรื่อม่หลายลอย่างนะครับตอนนี้เราเล่ากันอย่างเดียวเกือบพุ่งชั่วโมงไปแล้วจะลงความว่าเป็นได้ทั้งเทวดาก็เป็นได้เป็นพรก็เป็นได้ถ้าจิตใจดีเหมือนกับท่านอะไรอ่อพระองค์หนึ่งที่มองเห็นสดก็เห็นผักสดผู้นนนหนึ่งเป็นเป็นของเน่าเป็ของหน้าเกลียดใช่ไมถ้าเยอะไหม ถ้าหมายนั้นเห็นคนตายก็มีสภาพน่าเกียเกิดพิธิชายานพอตายจากความไปคนก็ไปเกิดไปเทวดาบปสวรรค์ท่านดาวดิ้งคนแจกเราดึงมาเกิดเป็นูปมหาเศรษฐีฟังเทศแจะสมเด็จพระมหามุนีพุทธเจ้าจบเดียวเป็นโสดาวันอนามทั้งสร้างกัรเป็นอรหันต์สมมติว่าการสร้างเดินมดีสอย่างนี้นะแต่โยมเต่าสร้างมาเอืญอญาติโยมในชาตนี้จะร่วมบุญด้อย่างนี้เหมือนกันไหม โยนเต๋ hehe, อ, อทรา no? อ, อยางนั้นไหมแล้วก็โยนเต๋อมีสมงแบบนั่นแล้วเอายาติโยนพุทธบริสัทที่นั่งในศาลาเนี่ยอยากจะทำบุญด้วยสังเสือหลวงสองเสืงหลิงจะมีรูปเหมือนกันไหมอะไรอะไรหอาใหญ่ละเ่าจะบวะตรงแถวจุดปรเดี๋ยวมันจะเข้าฌานเนี่ยเนี่ยถ้าการหันตัวเองเนี่ยนะแล้วอยากจะถามว่าโยงเตอก็โยงจริงจี ทำบุญกวาร้ยเมลแล้วท่านเบียร์ในสงนะเป็นคระกันได้ก็ได้เป็นพงก็ได้กป็นิทานก็ได้ถ้าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งในศาลานี้อยากจะทำบุญด้วยสักคนละสลึงสองคนได้ได้ได้ได้เลยได้แต่ผมเสียใจอยู่นิดนึงเราขยันทำน้อยเท่านั้นแหละนี่ถ้าัหันนะบกไม่เป็นไรทำได้ไหมใช่ถ้าจังหันนะถ้าจางหันเนี่บอกควอย่าทาน้อยสุเป็นไป วัต่อไปก็วันอีสองหนึ่งวันนี้เป็นวันมาถ้าบูชาเราทีมันั่นนะที่มีวันมาคันอยากจะถามว่าวันมาถ้าบูชามีความรสงคัญยังไงครับสุ๊ปออยากจะรู้ว่าวันนี้วันเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาโดยทีไรบ้างวันนี้แพระคุณเจ้าท่านจะพูดคนว่าเป็นวันที่อัศจรรย์นะคือสมเด็จพระตถาคพุู้เจ้าท่านก็ไม่ได้นัดไม่ได้แนะ ก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าลกับพระสงฆ์วันนี้เป็นวันแสดงโอวาทปาฏิโมกโอวาทปาฏิโมกใช่ใช่แต่นีนะพระเาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พระสงฆ์ที่มานั้นหน <c oughs> ึ่งพันสองค์อยห้าสิบองค์โอดีนะเอไม่ดีดูถูกเลยละ่ะถูกไหหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่ม่ใจ ก, ก็ถูกไห ไอ้ถูกี้ไม่อแกแล้วไนมไอ้ถูกแล้วแจกแกมาจิ้มมันนักบ้างไม่แลยโอ้เม่ออาย่าเรามาไปเล่นพิชิตตายเลยใช่ไมเมื่อเราไปทำเงินก้ับิตพน์พิชิตเงินเงิรคุณเจ้าทไม่จํานวนพระหนึ่งพันสอง้ห้าสบองค์เนี่ยโดยไม่ได้นัดไม่ได้หมายกันเลยมาพร้อมกันพอดีโอ้แมบ และอีกอันนี้เรื่อนแต่เป็นแอร์ฮิตที่ขูอุปสมทาคือมบวชเฉพาะเราพักของในพุทธเจ้าทุกองและเราใยอันในคนเจ้าเป็นขี่นาศบทั้งหมดเลยมีเรื่องเป็นยังไงมีแต่ขี่นาศบนะขี่ไร่สบขี่การค่าศบไม่นี้มีไม่ใช่ให้บอกมีแต่ขี่การนาศบอย่างเดียวทํนานาอย่างนี้นาศบไปเหร อ, อไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่หูดูแดด พระคุณเจ้าคพูดก็มากดีเออ่าไงเพราะว่าถ้าเราจะใช้ศัพท์ว่าพระผีนาศอย่างนี้นะครับมันเป็นศัพท์ภาษาวัดเขานให้ญาติยอมก็ฟังไม่เข้าใจพูดใ้ง่ายๆว่าพระอรหันต์เอ้ยท่านเมื่อพระอาหันต์หมดใหะทานแล้วพระคุณเจ้าจะถามรขามีว่าพระอรหันต์มันหมายความมันยังไงพระอรหันต์นี่ แหม้เท่าที่ผมประสบประการมาแ ล, ล้วรู้เข้าใจมานี่สองแม่สองมุมอมองเป็นผู้ไกลาจากกิเลสรอดลปลอดหลงทั้งหมดเลยเช่นสองเป็นผู้ตัดเพื่อเช่นคงคำแห่งสังสารและจกักรือไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปแล้วรวมว่าความไม่จิตอะไรเลยใช่ไหมใช่ไม่จิตร่างกายตัวเองด้วยไม่ติดร่างกายนคนอื่นด้วยไม่ติตถูกทาสด้วยใช่ไหมเอาว่าจิดไม่มีใช่ไหม อารมณ์ติดไม่มีใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์นะอย่างนั้นที่พระคุณเจ้าเออตอนนี้ตาตอนนี้ก็ดีแล้วนะความจริงก็ ม, มป็นนิพพยทเทศวันตืีนี่ฝังวิทยุเขาบอกว่าพระที่ทําการก่อสร้างต่างๆนะถ้าตายไปแล้วอาจจะต้องเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่บ้านจริงจกิงจบทุกแกตามอาคารบ้างพระติดไม่ไม่ ไ, มไมใครว่าเป็นคนพูดหรือดีว่านะ เวลาเนี้ยผมพูดแต่ว่าฟังในทีว่าคำวันสิ่นี้โอ้ยไอ้พระที่ขอจ้างทำดุสสนนะ่ด่าเมื่อตายไปเ้วจะไม่ได้ไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานยังไงนะจะมาเกิดเป็นภูมิใจ้ื่อเลือดกเทวดาอกต้เนี่ยนะโ้ควายก็แค่พระภืมิใจชื่นี่ยมันเกได้เมื่ายงฉเมื่อไหรเล่าเลืกดเทวดาก็เกิดไม่ง่าย ก็แค่นี้เราไดเห็นหนูกว่าคนธรรมดาตั้เยอะแล้ววะาว่าอ่าคือพระคุณเจ้าทาไมเลยมันเข้าหลักจี่พะคุณเจ้าถามนะผมไม่ฉาครแล้วจะมาอยากให้ใครดูกว่าผมฮ่านี่เรืองไม่เปนี้อ่าพระค้นี้นี่ใช่หมแคนนี้ก็ผมว่าเขาชื่อเสียงโด่งดังญาติเยอะนักถือมันเยอะ เขาพํารองว่าเห็นเขาไดู้ีทนอยู่ไม่ได้ก็หาทางอธิบายให้ญาติโยมเข๋ก็เถอะทำไมจะเป็นนักเขียตลาดแล้วก็ยึดว่าโยมเข้าให้มากว่าอนนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูมันก็เสร็จแล้วที่เสร็จไงล่ะอ้าวที่เสร็จมันก็ต้องเกิดแก่เจ็ตายแล้วเป็นคนแล้วเป็นสัดเ์แล้วเป็นแปลกแลกโดยายอยูอย่างนี้แหละ ก็พอไปยึดไนะปหน้าตอนนี้พระคุณเจ้าที่ทำไม่รู้ผมทําผมก็ไม่ได้ยึดพระคุณเจ้ากูมายึดไม่ยอมให้มาถลายก็ทําไปหมดเท่านั้นไปหนะาแย่แลนน้วก็ไม่ไม่เหลือไม่เป็นนักเสือกลายอย่างนี้แล้วก็ถามกับคุณเจ้าทิชะแบบเมื่อมันหาง่ายหรือหายากก็ก็หาไม่ยากาไม่ยากไม่ยา ก, ยากถ้าหากว่าวัฒชนจะเห็นมืององเล่วแล้วมันไม่ได้ถ้าถ้าพบอะไรา ห, หาได้เหมือนนั้นนั่นเลย เลาดูเห็นก็พูดกันมานะเขาพูดกับท่านเขาเยอะเปนข่าวให่มาแ้เพราะว่าความจริงพระเนี่ยถ้าสร้างแล้วติดที่ก็ไม่ใช่พระแน่ใช่หเพราะงานก่อสร้างเีเป็นทุนพุทธญาติโยงพุทธบริษัทใช่ไหมอ้ามันไม่ใช่ทุนของเราอ้าวเพราะมันคำท่านญาติโยงเขาอะใช่ที่ก็ให้มาแล้วก็ไม่พันโกงเขาไม่ใช่ผงว่าพระติดที่ดีกว่าพระติดเงินนะ อาจริงจิงจงริงนะยังสร้างบสร้างฐานที่ติดนี่บ่ที่หาอยู่เสมออย่างเลือที่สุดตายเปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมใช่ถ้าติดเงินเรเงินนี่เป็นเราเป็นวกเราลงบ่ายอ้าวแต่พี่ไอ้จิตเงินนี่คุยัาใช่ไหมเล่าไม่ต้องอื่นไกลแล้วขอคุณชาติเป็นไงเป็นไงบ้างพี่โก้คยหวางข้าข้ามีลาบข้ามียศข้ามีตกข้ามีฉันเฉินเขาหน่อยเใช่ไเห็นไหมเล่าครับ แต่ว่าถ้าพคุณเจ้ามดีด้วยใจพระทัดสีอ่ะมีด้วยไป่าไปงอ้าวไไ อ, อย่าพิ่มแรงใจอย่าเพิ่เลยารวะเขาว่าแต่มาผมเลยเขาบอกหุวพ่อพระที่มีพรทัดเขาดขาในพระทั ด, ด, ด, ดสีเนี่ยเพ่งจะแสดงตนไปนักก่งปฏิกกนนบัติโดยวิธีใดก็าตามเรา ว, ว่าจิตไม่ไกลกับผมแค่แค่จิตจะอยู่ข้างพระทัดกันน่ะฮะจิตมีเพื่อนใช่ อันนี้ถ้าเรามีได้แต่เราอย่าไปปลกไอที่มันจกกระบกออกมามันก็หมดเรื่องแล้วกานจะาฟานจะข่าวใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะกำลังามไปภาพไม่มีสิ่งสองกระบกเลยครับใช่จะกำลังฟังบอกสำหรับปัญญาข้าบูชานีนะที่เราถือว่าเป็นบางเส้นพันด้วยพระเจ้าทรงตัดหลักเกณฑ์การประกาศศาสนาไว้ใช่ไหมใช่ ไปเท่าไหร่ยังไงนะหลักเกณฑ์การประกาศอะไรต้อว่าไงต้องหลักเกณฑ์การประกาศรศาสนาหลักเกณฑ์การประกาศศาสนาครับและอันนี้พระคุณเจ้าเอ้ยผมแก่นะถ้าหลักเกณฑ์ของการประกาศประกาศาสนาเนี่ยนะพระคุณเจ้าจากเมื่อกี้ผมก็พูดไปน้อยนึงแล้วว่าลักษณะของผู้นำผู้นำว่ายทอดทัว เชานเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเราก็จำเป็นเงื่อนเกินเราจะต้องเป็นผู้ขยันและอดทนนะฮะค่ะนี้คำว่าขยันนี่พระพุทธเจ้าบอกคุณแล้วว่าวิเญาณในภพกรรมเจติติดการงานและพ ข, ของเราที่มีอยู่แล้วร่วงไปได้ก็เพราะความเพียรนะแล้วก็นความอดทนนี่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกอีกแหละขันตีจะโผตีติดขา ว่าความอดทนได้แก่ความอดก้นทนตะบะเครื่องเขาขานโนกปวดหลงได้เปอย่างดี <c oughs> มาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวอดทนเนี่ยเราก็อดทนกระทําการงานมีอันนา่น <c oughs> แล้วก็อดทนอีกอีกอันมี อ, อันนี่สาคัญมากต่อคำรันเซอร์และต่อคําตํตาหนิอีกเรียนและคำด่าแม่อดทนอันนี้เมื่อใครเข้าตีเรา นะคำสันเสริญเรานะคำสันเสริญนี่คนโบราณบอกว่าลูกก้ยหวานเป็นเลมขมเป็นยาแ่คนโบราณนก็มีเรื่องกันนี่ไอเขาไม่หวานเป็นเลมยังไงคือคำสันเสริญยอยอผมประจบประท่านรรมหาป็นไเปนไนี่กตอนเช้านะนักปฏิบัติมันไปหาผมแลถึงกราบกราบลูกพ่อ อ, อ า, ายุเท่าไรแล้ว โอ้รลูกพ่อ7จ็ิสองแล้วว่ะโอ้แต่ผมแม่นานานี่มาเจอลูกพ่อแก่แแทัานหนักเลย่ <c oughs> าให้เราก็ไม่ชื่อใจเราแหมมันจ ะ, ะจจ <c oughs> ว่ากูหนุนก็ไม่ใ่ได้แหมมัว่าสองใช่เอาไครนี้พระตอนแล้เราจะบ่ายสองทรมองมีคนอีกอีกแปลกมาอีกมาถึงพปุ๊บแหมลุงของ่อนี่เห็นที่ไรเนื้อหนังเ่นกลังหมุนเ่งยเลยว่ใครนี่วนั่นแม่ เราก็เอเอเอเอเอีมาลูกไม้นี่มันจะเอาอะไรกูแม่ <laughs> เราก็มองไปลงมานี่พระคุณเจ้าเป็นไงล่ะขนเขามันถึงว่าไอ้คนที่เขา ย, ยกอยอไ ม, มานานนี่นะเขายกเขยกายอม่นานนะี่นะถ้าเขาไม่หวังกินปลาและเขาไม่ยกให้มันหยั่งพื<อ>้นนี่เดี่วนี่นนนท่านญาติโยมีอะไร้กล่ามาเยะเลยพูดนะ<อ>น ไม่ใช่่ไฟังไม่ได้คุณบอว่าคนที่ก็นั้นเขาไม่ยกยอผม้าเลยมันจะไม่เป็นการนี่นะทันญาติท่นโยมน้ที่เขายกยอเราเวลาที่บอกให้หวานเป็นลมอย่าหลงจิ้มขึ้นมาคำยกยอจะไม่อย่าจิ้เขาอย่าจิ้มตายเยาตายเลย แต่คำเลนลอยก็เล่นและคำด่าเนี่ยท่านมหาระผมอยู่ที่ปากของมันโดนมันต้ชิมเลยนะโดนด่าที่ทํามล่ะเอ้าโดนอะไรขัดคอมาเข้าเลัวมันจะไปมาลบขัดคอมันเข้ามันหาว่าปลว่าติขามันที่เย็นอะไรจะลก็จะตังมได้ขัดคอมันจะให้มันเก็มนดูมันไม่ยอมเป็นนั่นแหละกันเลยไหไอ้คด่าเนี่ยมันมีสองอันคําตนทนะ เขาติเพอก่อหรือติเพื่อทำลายครับครับนะถ้าเขาติเพื่อกเราก็รู้ก็ไม่ใจอ่าเราไม่ได้ไปจ้างเขาแบบนี้ไม่ได้ไปวานเขามติอย่างนี้ที่เขามติเราเนี่ยถ้าเรารูด้วยวิธีพือก่อเออเขาหวังให้เราเป็นคนดีให้เราทำดีเขามติเรื่องนี้แหมเราได้สติดีชียวเราก็ทำดีไม่ยอมทำชั่ว อ, อันนี้เป็นอันว่าเราก็ยกมือาสาธุเออพ่อคุณธรรเจ้าธรรมแดกไปยานแล้วไปจ้าทัางมาท่านอุตส่ า, ามติขอให้ท่านอายุยืนชนะแน่แล้วให้พอเลยเดี๋ยวเขาที่ชาเขาตีไม่เขาหนาเพื่อทำลายนะเพื่อเอาตัวอีขามาให้เราล่ะเราต้องฉลาดอีออไอที่เขาตีนี่เราก็มาเดูติดตามที่เขาว่า แล้วก็ความผิดที่เราทำเนี่ยคนอื่นจะมารู้เข้าเราไม่ได้เราตัวเราเองเราทําดีแล้วทําั่วอรารนี่เมื่อเรารู้ก็มีคติเพื่อทําชดยอะไรอย่างนี้อยา่าไปเกิดขึ้เลยเราควรจะถาวายสมัมภาระครั้งแล้วก็แผ่เมตตาให้ใจคนนี้ครับเนื้อเขาจะได้เลกิจาต่อไปเนื้อแผ่เมตตาให้เขาเ แผลให้ไปสวรรค์หรือแถไปนรกเนี่เหรออันนี้นะนี่ผมจะเล่าไั้ความประพฤตจ้าเอาไปเรื่องอันนั้นเป็นที่แรกผมอยู่กับหลักพรอมนี่นะพ่อเป็นเจ้าก็เคยช่วยเหลือผมอยู่จช่ครับใช่อันนั้นนะผมก็ก็เขาจะไปจ้างคนมาฆ่าผมผมจะมาดูดูเลยเอ่เราคงไม่ได้ผิดตามไม่ที่มันว่า แล้วมันไปจ้างคนมาฆ่าเราเอ้เราก็เป็นพระเราไม่ได้เป็นฆราวาสแล้วเราจะหนีเขาดีรึหรือเราจะสู้เขาดีก็คิดไปเป็นมาหู้หูเขา่ออเขาหมาหูยังไม่เข่ตายสักทีเลยแล้ว <c oughs> มันจะตายก็มันตายไปหมดเนื่ออือผมก็ทุกปีผมถวายสนทานทุกปีเนะี่ยพระคุณเอ้าผมก็ทุกวันถวายสนทานพระสิบเอ็ดองค์ ผมก็ส่องกระแสแะจิตญาติคุณเจ้านะว่าที่ข้าพเจ้าถวายสังฆทานแกพระภิกษุสงฆ์ทิศเอ็ดองวันนี้องการนุทิพส่วนบุญอันนี้อันไรจำไว้เลยนะกุทิศให้ไหนคนนั้นจตระกูล น, นั้นขอแท้เท ย, ยดาเจ้าที่นั่งอยู่นี่ช่วยบอกดนะ้วยแล้วก็นำข่าวสารนี้ไป ขอให้ท่านคนนั้นมารับส่วนบุญบุศนแล้วก็จงไปเกิดทีดีมีความสุขทุกคนนะเท่านี้แล้วก็กราบพระครั้งหนึ่งดูนยพระคุณเจ้ามันจะด้วยผมเข้าใจของผมเองนะว่ากรรมเขาทำไว้ผมแผ่บุญบุศรนอย่างนี้นะพระคุณเจ้าสองสามครั้ง ไอหมอนันร่มเจ็ดเลยพระคุณเจ้าแต่ว่าผมแช่งไม่ได้นะผมไม่ได้แข่งนี่อไม่ได้อย่าโยนจำเลยนะร่มเจ็ดผมเอามาพาดแล้วพระคุณเจ้านี่วันนี้แปลว่าหลวงพ่อวัดจักรฟองเงินเผ่าแนะนําวิธีฆ่าคนไม่ได้ไม่ได้แช่งชักขัดกระดูกครเลยเปล่าแล้วไม่ได้แช่งไม่ได้ชักไม่ได้ขัดกระดูกแต่บอกว่า ถ้าอยากฆ่าศัตรูฆ่าดวงทีนี้มันดีเลยไงเ น, น <riots> ี่ยถ้าตกมาโลกนะคนอื่นก็ตกชั้นชีนรกคนนี้ไปเวีจีเลยหัวหน้าเนี่ยพระพุทเจ้าจะปลับปล้อยไปในโลกให้ได้งไหมเนี่ยว่าชักเฉียงอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอาแล้วเป็นว่าสรุปตอนนี้นะเวลาใกล้สองโมงสำหรับโอวาทาริโมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในวันนั้น การที่สมภูริชันบอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาคือพระภิกษุอาลั์ทั้งหมดแล้วก็พระพุทธเจ้าท่เองทั้งหมดมาประชุมในนันนดมหมายกันแโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปริโมกต์ในหมายความว่าการให้เป็นแนะนําคนที่ปฏิบัติตามคําคันลองพุทธศาสนาต้องจ่าโดยย่อและมีสามหนึ่งสัาพพะปาปัสสะเท่านั้ ขอจงแนะนำคนทุกคนให้ละความชั่วเสียหมดสองสุดกระสูไปสมัยพาให้ปฏิบัติในความดีสามพห้จิตตาโปียรักปันญังให้ทําจิต ท, ท, ที่ของใสคือเจนสัมปันิพจนาเอตังพุทธานาส า, ายชนนังท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสมบัติอย่างนี้เหมือนกันหมดโยมทราบว่าที่ว่าเป็นบางสำคัญเพราะว่าให้ตามนกรก่อนนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แนะนําไว้ก่อน เมื่อ ใ, ใครบรรลุมรรคผลสมเด็จพระพุทธสกลก็ถูกตัดเขาควรงไปประกาศศาสนาวันนี้การสอนแนวการสอนหน้าถูกต้องแต่ไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันพระเจ้าจึงย้ำสมายให้สอนแบบนี้และก็วันนี้นอกจากว่าจะเป็นวันประชุมสอ์ที่เรียกว่าจารตรงศาสนิบาตแล้ ว, วก็กลายเป็องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงปวงอายุทั้งขันวันนี้ใช่ไหมท่านพระครูพระเวทเจ้าปลงอางยุสั้งขารวันนี้ใช่ไหมใช่ รู้เะอรู้เหร อ, อหรออายุก็ผมกเจ้า 8, ท่านแปดิตปีเท่านั้นแหละไม่ใช่รู้เหรอเพราะแม่ะจะไม่รู้ยังไงตำลราเขาผิดหลอกย่ะจะรู้ไม่ได้หรกันมาใช่มันจะต้งทำ <c oughs> ไปมันหเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวทำว่าปวงอายุทังขำหมายความอย่างไงครับอะไรอะไร จไมาลุ้สันนะครับหมายความว่ายังไงครับพมันจะใชยากอะไรก็มันเล่าทำไงทาไงเราก็มานั่งตรงเย็นเดี๋ยวก่อนตัวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก่อนเดม๋ยวก่อนฟังเลยสิไปเช่อเว่าอะไรอทีจะมาลุกขันเวลานั่งตรงเราต้องแก้ผ้าก่อนไหมเออไม่ใช่อย่างนั้นไม่อ่ะไอ้หนี่ไอ้แก้ผ้ากับไม่แก้ผ้านี่นะเพราะอวัยวะ บ้านส่วนนะมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์เขาเรียกว่ามีจิตสูงก็จัดไปเลยานใช่ไหมล่ะใชคดีเขาจึงเปิปิดส่วนที่ควรปิดแล้วก็เปิดส่วนที่ควรเปิดไม่ใช่ส่วนฐานเนี่ยจะเอาอย่างมนไม่ได้เพราะมันธรรมชาติไม่เป็นไรจุดปะสงคตัวเองใช่ตัวนี้มันเป็นฐานนี่ตรงสังขารนี่อะเป็นไงเป็นไง คือก็ตรงอาการ32ของเรานี่เองนะครับลงในผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเสี้ยนในกระดูกม้ามหัวใจตับปึงเปิดใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่ที่เพ่งธาดิ้นอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้เราเนี่อยมมันขี้หมดทั้งตัวแม่แม่แม่ติดกันเอไอเจ้าหมอมือ มันเป็นตัวมเคลื้อนพี่นัวเ น, นี่ยให้นั่งใจข้างมานอนจมูกเอาเป้าจมูกนะเอาเอา้าเอา้าเอา้าเือเอขึ้ก เ, <c oughs> เขาไม่เห็นเรารูไมเล่าแล้วว่าเขารู้ตัวหน้านกันเนี่ยก็รู้แล้วว่ามีขี้ในช่องแต่มันไม่หมดอ๋อนี่ยมดตนี้หปนส่าหลงฝังเก็บทำอะไรไม่ไดังนัวฝังควายสังเก็ดฝังไก่ฝังหมูฝังหันเขาไปนีนั่นเนี่ยไม่ได้เนลุงในในกระเพาะน่เต็มแ้านมาซือเนีนั่นแหละ ไปกองอื่นใกลแล้วเนี่ยถุกถุกแ้วหลานเราเนี่ยเป็นชา ม, มหาห ม, มันไม่ออบน้ำสาวนันมัเนเหม่งเถียวเลยันยนี่คนเปนนี้ไอ้ที่จะเอาไอ้นี่มันจะร่วมเคลื่อนที่อย่างนี้ลนแล้วก็เมื่อเราเป็นนี้เรก็จะได้รู้ตัวเราว่าไอ้ธรรมชาติมันเหมือนหมดกั น, ห ม, มนกหมดเลยเหมือนกันหมดนู่ต้นไมนี่ไอ้ีที่เป็มหาจ้านั้นนี่ไอ้นี่นรัฐผู้สะสมท้าไม ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มได้กันแต่้เจ้าพันนุ่งพ่อผมนที่เป็ใจก็ได้น่ะนะพอเคยว่าเฮ้ยพวกเองะถ้าพวกเองสวยจริงแล้วก็ไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องทำตาให้มันช้ำเลี่ยนช้นอง้ำ ทำเมื่อสไรนี่จะแดนว่าเอนนี่มันไม่สวยจริงอ่ะมันล้วนแต่ที่จะเย่อเมื่อสมองเั่านั้นแล้วก็เอาฉีอเอาพันดุงเอาหงไปปกติดก็ไม่หลอกไปวางก็ไม่ใช้ไม่ได้ผมเองใช้ไม่ได้นี่อ่ะนี่ได้ทันมหาว่าเป็นยังนี้ได้ยังไงเราจนถ้าไข่ปล ong ตกนะคนนั้นไม่ขาดคุนเอาเงิอะไรกันวันนั้นพระเจ้าที่ขึ้นปรุงอ่ะท่านปรงแบบไหนอะไร บางกลางเดืนสามที่พระพุทธเจ้าทรงจร ง, ร ง, ร ง, รงาอายุสั้นๆเนี่ยมันจองดานไหนใช่มันจองด่านไหนจองแบบอะไรท่านก็จ้งว่าท่านอะอายุแก่แล้วนะแล้วมาจองแก่แล้วแล้วก็ตรงนี้นมันมีจิตท่านเป็นสองทางอยู่嘛ครับครับทางหนึ่งพขาอยากจะอยู่ถ้ว ย, ยประชาชนแล้วก็เฉดระดาอยากจะอยู่แลว้วก็อยากก็ อยากใช้ <c oughs> พูดต่อหน้าพระอานนท์ว่านอนนู้นแต่ฐานโคตหน้าเหมือนยังจะเตรียมแก่ว่าอะไรต่ออะไระมันคิดเตรีไปหมดแนละ้วอานนท์เราจะแก้ไขยังไงดีตามหลักเลย้านนนทุนว่าขอให้พระองค์อยู่ก่อนพระองค์ก็จะอยู่คันนี้ไอ้จะวัดแลววัดมานนี่ มันไปบงังสกิจกัญญาอนนท์ข้านนท์ก็นั่งทะลุไม่รู้เรื่องว่าอะไรแต่อะไรก็ผลไม่เกิดเวลาพยามารมันเข้ามาทูนให้นิพพานพระพุทธเจ้าก็มองเห็นว่าอนนไม่มีปัญญาจะแล้วแล้วก็พยามารเข้ามาทูนให้นิพพานพระพุทธเ้าท่านก็รับเขาเลยในร่างรับเขาเลย รับว่าจากวันนี้ไปสามเดือนเราจะผ่านใช่มไหมใช่ในระหว่างนางรัมนักผู้แห่งเบงกุสินราพระพุทธเจ้ารู้ยังไงก็ต้องไปตายตรงนั้นแล้วก็ตายวันนั้นน่ะอาที่จําเป็นนะคุณเจา้าจําเป็นนะที่้าไอ้ตงนั้นมันเป็นนีอย่างนี้<ช>ทันวัน อาชีพระคุณเจ้าพูดเนยแหมไม่ลามตามไปถึงวันมีสาขาบุญไม่ถึงใช่เลยจริ่อาเมงจงละวันเทาไหร่ไปที่ตรินอาพระุณเจ้าไปนิพพานที่ระหว่างตอนหลังทั้งคู่นั้นไปที่ตะมันไปไปที่กระโจอาพระุเจ้าเกิดตรงนั้นนั่นเลย้าเจ้ามาเกิดเป็นคนมาเกิดตรงนั้นนะแล้วก็ไปที่กระูก็ตรงนั้นแล้วไปที่ไปะโจดนิพพานก็ตรงนั้น เมื่อว่าวันมุสาขาบูชาคือเพิ่มยันหกเหมือนกันหมดเลยอารมณ์กว่าเป็นบางการเดียวกันใช่หกเช่นเดียวกันไหใช่แล้วว่าที่พระเจ้าทรงทราบจะมีพระวิญาณใช่ไหมใช่เราจะตายเมื่อไรตายที่ไหนพระเจ้าทรงทราบสมมุติว่าถ้าคนเวลานี้ถ้าเจริญพระกรรมฐ า, านได้เจตริยาน ได้อาจีกับสยานอนาคกับสยานจะรู้วันตายไหมได้อนาคกับสยานโอ้ยกายทนาถ้าจะดูเองตัวเองว่าตายเมื่อไรตายที่ไหนจะรู้ไหมรู้อย่แล้วปัจุบันนี่นะเออันนี้อันนี้ผมก็ยม่มีเครื่องอะไรจะวัดโยนกัชื่อยงกันนะแต่สนักผบ้ดงเก่าสมัยโบราณบ้านก็อยู่นี่ ที่เขาท่าพระเขาว่าบานขลองเรือาาใจากไยลไปคลองเรือไอเรื่องของเรื่ อ, อ, อ, องอมันมมอรู้ว่าพระผรก็ไม่สบายสององค์แต่เป็นโรคปอดแต่เป็นโรคปอดแน้วที่นี่ก็ไปฉีดยาเปนาละละละ็นร้อยๆเข็มมันก็ไม่หายครั้งนี้ก็ข่าวเขาว่าโอมกันเนี่ยะะรักษาโรคปอดเก่งพระพรก็ไปตามมาม า, าพระพรุองค์หนึ่งเป็นเจ้าคือฉายาบัต องหนึ่งเป็นมหาประโยศเป็นวายโสตจงพูดไปเมา่อนนจะมาเมื่จะมาเราก็พเห็นจิริยาท่าทางเอง๋ยยอมกันนี่จิริยาท่าทางในด้านจะพูดในด้านจะนั่งแต่แสดงความเคารพพระสูงมากแลก้วระการพูดก็ชอบพูดในเรื่องอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารและปัจจยาจะชอบพูดอย่างนั้น ผมก็สสัยว่าโยมมีท่านปฏิบัติสูงหน่อยแล้วก็เมื่อแกไปเกตยาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกก็มาหาผมผมก็คุยเรื่องธรรมะธรรมโมก็แกต้องการจะถามแกว่าแกจะเป็นนักแกก็เล่าว่าแกเป็นนักปฏิบัติเป็นนักเดินธุดงค์เดินธุดงค์มีเจ็ดกว่าปีแล้วก็แกไปเสียเสียท่าทั้งอันหนึ่งแกบอกอย่างนั้นมาเดินธุดงค์เจกว่าปีเนี่ยแต่จนอันตรายมาปลอดปลอดหลงมาลอดตายมาแล้วมาอยู่วัด มาอยว่าได้เข้าใจตัวว่าข้าเป็นพระอรหันต์แน่เมื่อเข้าใจตัวอย่างนั้นแล้วนี่ก็ไม่ขันเข้ารวมกับพระกระโดดกระโดดเองไม่ขันเข้ารวมกับพระแล้วมีก็อยู่ๆมาผมไม่รู้เป็นไงกรรมมันตัดจบเพื่ออะไรพอึกมาแล้วก็มาแต่งลูกแต่งเนี้ยมีลูกสองสาคนแล้วมีเลิกสองคนมีตอนเลกเขามีพ่อเพ่อนนนี้เขาปล่อยก่ทิงอยู่กับพี่สาวน้องสาว ก็อยู่ก็น้องสาวแกอยู่น้องสาวแกแล้วก็เ่แกมาชอบพอก็ผมขึ้นอีกใกล้จะตายเนี่ยแก่หอบเอาไอ้พวกคนุ่งพองผมพ่อเปลวแกใส่ไอ้ส่งขนาดใส่มากรงขนาดมาเลยมาแล้วก็มาเรียกอาทันตะคู่อยู่หรือไม่อยู่แต่ว่าตอนนั้นเขาบผมอยู่ผพราตามเอาโยนมาทุลแล้วมาเะเดินมา เอามาผมจะมาฝากจบกับท่านแต่โูรดด้วย